ปาิเทศนิยสิขาบทที่สองถึงสิขาบทที่8ว่าด้วยการออกปากขอน้ำมันเป็นต้นเรื่องภิกษุณีฉ พ, พักี1234สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุณีฉ พ, พักีออกปาขอน้ำมันมาฉัน ออกปากขอน้ำพึ่งมาฉันออกปากขอน้ำอ้อยมาฉันออกปากขอปลามาฉันออกปากขอเนื้อมาฉันออกปากขอนมสดมาฉันออกปากขอนมเปรี้ยวมาฉันคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉนัยพวกพิกษุนีจึงออกปากขนมเปรี้ยวมาฉันเล่าใครเล่าจะไม่ชอบใจอาหารที่ปรุงดีพร้อมใครเล่าจะไม่ชอบใจของที่อริดอร่อย